จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่13ามเมษายนพุทธศักราช5 5 4เป็นวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบรุษได้พาดำเนินมาในวันนี้ด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขในอนาคตก็ได้ไปสู่สุคติเพราะนี่เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสัรู้ความจริงเหล่านี้ ด้วยพระองค์เองแล้วจึงได้นำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกด้วยพระมหากรุณาที่คุณด้วยพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มี ความต้องการอะไรจากสัตว์โลกเลยเพราะมีความกรุณาคือความสงสารที่เห็นสัตว์โลกยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของความมืดบอดคือโมหะอวิชชาที่ครอบงำใจจนไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็นคุณและส่วนที่เป็นโทษได้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่ ถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วน้อมเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถปลดเปื้องความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้จนหมดสิน้นดับภพบชาติต่างๆได้หมดไม่ต้องไปเกิดไปตายอีกต่อไปการเกิด น, นี้อย่าไปคิดว่ามันดี พอเกิดมาแล้วมันต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกับความตายทุกกับการพลาดลจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นจึงจะไม่มีทุกข์ ผู้ที่ฉลาดจึงเห็นว่าทางออกของทุกนี้ก็คือการไม่เกิดนี่เองและการไม่เกิดก็ต้องเกิดจากการทำบุญนำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำกันพวกเราถือว่าโชคดีมีวาสนาได้มาเกิดในบรวรของพระพุทธศาสนามีบรรพบรุษ ท, ที่ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติได้สืบทอดพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาสู่พวกเราพวกเราจึงมีโอกาสที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆได้จนหมดสิน้นพวกเราขอให้มีศรัทธาความเชื่อ แล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทากันในวันนี้เป็นการทำบุญเป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจเป็นการป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ำไม่ให้ไปเกิดในที่ไม่ปรารถนากันดังนั้นขอให้เราหมั่นทำบุญกัน อย่างสม่ำเสมอไม่เฉพาะเพียงแต่วันสงกรานต์นี้เท่านั้นควรทำเป็นกิจประจาเหมือนกับการรับประทานอาหารร่างกายของเราต้องการอาหารฉันใดใจของเราก็ต้องการบุญฉันนั้นเพราะบุญก็คืออาหารของใจนั่นเองอาหารมีชนิดต่าง เวลาเรารับประทานอาหารให้ร่างกายเราก็ต้องรับประทานให้ครบทั้งสี่หรือห้าบูเช่นต้องรับประทานข้าวรับประทานผักรับประทานเนื้อรับประทานไข่รับประทานผลไม้เป็นต้นเพื่อร่างกายจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดการทําบุญ ก็ต้องทำบุญให้ครบบุญนี้ก็มีหลายหลายกลุ่มด้วยกันหลายข้อด้วยกันเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งก็คือทานการให้ให้ในสิ่งที่เรามีเหลือเกินเหลือกินเหลือใช้ส่วนที่เราไม่เราต้องเก็บเอาไว้เพื่อดูแลอัตภาพร่างกายของเรา ส่วนนั้นเราก็ต้องเก็บเอาไว้ส่วนที่มันเกินมันไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ถ้าไม่มีส่วนเกินก็ไม่ต้องไปกังวลกับการให้ทานไม่ต้องไปหาข้าวของเงินทองเพื่อมาให้ทานนี่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการให้ทานการให้ทานนี้ต้องการให้เรา ปดเปลื้องสิ่งที่มันมีมากเกินไปเหมือนกับเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเราไม่แบกของมากเกินไปเราเอาไปเท่าที่จําเป็นเพราะจิตใจของเรานี้เป็นเหมือนนักเดินทางเรายังเดินทางอยู่ในวัฏฏะสงสารเดินทางอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เราจึงควรจะเดินทางอย่างสบายคืออย่าแบกภาระมากจนเกินไปเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วเราจะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเราได้อย่างรวดเร็วได้อย่างสะดวกอย่างสบายแต่ถ้าเรามีข้าวของพลุงพลังเอาติดตัวไปได้ เราอาจจะเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ได้เพราะจะเหนื่อยตายเสียก่อนหรือจะหมดกำลังเสียก่อนดังนั้นการให้ทานนี้จึงให้เราให้ในสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เกินความจำเป็นของเราให้ไปอย่าหวงอย่าอยากเก็บเอาไว้เพราะความหวงความอยากเก็บเอาไว้นี้ จะทำให้จิตใจของเราต้องมีความมิตกกังวลต้องคอยดูแลรักษาและก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปแต่ถ้าเราไม่มีความหวงแหนกับข้าวของทรัพย์สมบัติต่างๆเราก็จะไม่ต้องมาคอยวิตกกังวล คอทุกข์กับการสูญเสียของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปดังนั้นถ้าเราไม่มีส่วนเกินก็ให้เราทําบุญส่วนอื่นต่อไปเพราะนอกจากการให้ทานแล้วเรายังต้องทําบุญอย่างอื่นด้วยคือข้อที่2ก็คือการรักษาศีลเราก็ยังต้องรักษาศีลกัน เพราะการรักษาสีนี้เป็นการป้องกันไม่ให้จิตใจเราตกต่าจิตใจของเราตอนนี้เป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไปทำบาปจิตใจของเราก็จะตกต่ำทันทีถ้าทาบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงจิตใจก็จะเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภทั้งๆ ท, ท, ที่มีพอมีพอกินพอใช้ แต่ยังอยากได้มากมากก็เลยไปทำบาปจิตใจก็จะกลายเป็นเปรตไปถ้าทำบาปด้วยความหวาดกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสูรกายหรือเป็นผีแล้วถ้าทาบาปด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท ก็จะเป็นนรกนี่คือข้อที่สองคือการมีศีลเพื่อป้องกันให้เราเป็นมนุษย์และได้เป็นเทพเป็นพรหมได้เป็นพระอาริยเจ้าตามลำดับต่อไปเราต้องมีศีลก่อนดังที่เราได้สมาทานกันเมื่อทีนีมียู่ห้าข้อด้วยกัน ข้อที่จะป้องกันไม่ให้เราตกต่าไม่ให้เรากลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นนรกเราต้องรักษาศีลห้าเอาไว้ถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์หรือเราอยากจะเป็นพรหมอยากจะเป็นเทพอยากจะเป็นพระอริยเจ้าต้องรักษาศีลห้าข้อนี้ไว้ให้ได้คือหนึ่งต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. ต้องละเว้นจากการลักทรัพย์ 3. ต้องละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี 4. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็ดหละเว้นจากการเสพสุรายาเมาเพราะเวลาเสพสุรายยาเมาแล้วก็จะขาดสติไม่สามารถควบคุมความคิดไม่สามารถควบคุมการกระทำ และการพูดได้คนที่เมาสุรามักจะเป็นคนที่ทำบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มสุราดังนั้นนี่คือศีลห้าข้อที่พวกเราควรจะรักษากันควรจะทำกันเพราะเป็นการปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ตกต่ำเพื่อที่เราจะได้ ก้าวสูงขึ้นไปตามลำดับถ้าเรารักษาศีลและเราทาทานด้วยใจของเราก็จะเป็นเทพถ้าเรารักษาศีลแล้วให้ทานด้วยแล้วก็ยังทาบุญข้อที่สคือภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิพอใจของเราสงบเป็นสมาธิ ใจของเราก็จะกลายเป็นพรหมไปแล้วถ้าเรานอกจากนั่งสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิเราก็มาเจริญปัญญามาเจริญวิปัสสนามาพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่เราสัมผัสรับรูบร้แลนะเกี่ยวข้องด้วย ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่อยู่กับเราไปตลอดมีมาและมีไปเป็นธรรมดามีเกิดมีตายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เพราะไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองแล้วก็ถ้าเราไปยึดไปติด ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องทุกขทรมานใจไปกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือการสอนใจไม่ให้หลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ให้หลงยึดติดกับลาบยศสรรเสริญไม่ให้หลงยึดติดกับความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายอย่าไป หาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางวันก็ได้เสพก็มีความสุขวันที่ไม่ได้เสพก็มีความทุกข์เช่นคนที่เรารักเวลาอยู่ใกล้เราเราก็มีความสุขเวลาอยู่ห่างไกลกันเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีคู่รักเราอยู่คนเดียว เราก็ไม่ต้องทุกกับเขาเราสามารถมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักทําใจให้สงบพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทําใจให้สงบแล้วก็สอนให้เราใช้ปัญญาอย่าไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ให้หาความสุขจากการทำใจให้สงบวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ใจไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆก็ต้องคอยสอนใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นมันเป็นความทุกข์ทุกวันนี้พวกเราทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั่นเอง เราคิดว่ามีเงินทองแล้วจะมีความสุขแล้วเป็นยังไงตอนนี้เงินทองพอใช้หรือเปล่าเวลาไม่มีเงินทองไม่พอใช้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลามีเงินทองพอใช้ก็กลัวว่าเงินทองจะหายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกทุกทั้งขณะที่มีและทุกทุกทั้งขณะที่ไม่มีแต่ถ้าเราไม่ไปยึดติดกับเงินทอง อยู่แบบพระอยู่ตามมีตามเกิดไม่มีเงินทองก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมีก็ไม่เดือดร้อนไม่มีก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือสําหรับการหาความสุขต่างๆนั่นเองพวกเราจรึงต้องพยายามอย่าไปยึดติดกับเงินทองมีเท่าที่จําเป็น มีไว้สำหรับดูแลอัฐภาพชีวิตร่างกายของเราก็พอแล้วส่วนความสุขอยากเงินทองไปซื้ออย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอย่าไปซื้อของเล่นอย่าไปซื้อของที่จะให้เรามีความสุขชั่วคราวแล้วก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆเยช่นไปซื้อสุรามาดื่มซื้อบุหรี่มาสูบ ซื้อของเล่นต่างๆมาเล่นซื้อขนมมารับประทานของเหล่านี้มันไม่จะเป็นต่ออัตภาพชีวิตของเราเราไม่มีมันเราก็ไม่ตายเราหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่านี่คือบุญที่เราควรจะทำกันให้มากเรียกว่าภาวนาทำใจให้สงบเป็นสมาธิ แล้วพอออกจากสมาธิก็สอนใจอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเป็นพราพ อ, พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจจะรุ่มร้อนขึ้นมาทันทีจะอยู่ไม่เป็นสุขเวลาอยากจะได้อะไรนี้ใจจะกระวนกระวายกระสับกระส่าย แล้วว่าเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจหรือโกรธ ถ, ถ้ามีใครมาขวางก็จะโกรธ ถ, ถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจถ้าได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวพอไม่จี่ชั่วโมงก็อยากจะได้อย่างอื่นต่อไปสิ่งที่ได้แล้วก็ไม่มีความหมายมีแต่ความกมังวลเพราะได้มาแล้วก็ห่วงก็ห่วงแล้วก็เสียดายเวลาที่จะสูมเสียไป นี่คือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านผ่านมาแล้วท่านมีสิ่งเหล่านี้มาแล้วท่านเป็นพระราชโอรสมีปราศาทสามฤดูมีนางสนมกำนันมีบรยสัทว์บริวารคอยยกย่องสรรเสริญคอยทำกิจต่างๆตามคำสั่งแต่ ใจของพระองค์เองก็ยังไม่รู้สึกอิ่มพอและยังไม่หายจากความวิตกกังวลต่างๆพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดท่านคอยสังเกตดูความรู้สึกภายในใจว่าเป็นอย่างไรทรงพิจารณาว่าเวลาอยากได้อะไรก็หามาให้แล้วแต่ให้มาแล้วทำไมยังไม่พอทำไมยังอยากได้สิ่งอื่นอีก แล้วทำไมยังมีความรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเพราะองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าการทำตามความอยากนี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ความกังวลใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่างๆนั้นหมดไปและทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ได้มา มันก็ไม่สามารถทําให้ใจเราสงบหรือให้ความทุกข์น้อยลงไปแต่กลับเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนำลึกถึงวันหนึ่งที่พระ อ, องค์เคยประทับอยู่ตามลำพังไม่มีใครมาล้อมรอบนั่งอยู่ภายใต้ต้นไม้พออยู่ตามลำพังพระไทยของพระ อ, องค์ที่เคยได้ทรงบำเพ็ญมาในอดีตชาติ กรวมตัวเข้าสู่ความสงบแล้วก็เกิดความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนจากสิ่งต่างๆพระองค์จึงทรงเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนี้ต้องอยู่ที่ใจที่สงบเกิดจากความสงบของใจและต้องเกิดจากการอยู่ตามลำพังเวลาอยู่กับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจไม่นิ่งใจไม่สงบ แต่เวลาอยู่คนเดียวนี้ถ้ามีสติมีบุญบรารมีเก่าใจจะสงบทันทีด้วยเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าจําเป็นแล้วที่จะต้องจากพระราชวังออกไปอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าอยู่ไปก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีความสุขเดียวเดียวจากการได้ รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เสพสิ่งนั้นสิ่งนี้พอผ่านไปไม่นานก็เกิดความหิว<ม>เกิดความอยากก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดและก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปจนวันตายอย่างแน่นอนเพราะพทธเจ้าจึงเตรียมจิตเตรียมใจที่จะออกไปแสวงหาความสุขออกจากพระราชวังพอดีพระมเหสีก็ได้ทรง ประสูตพระราชโอรสพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่มีทางที่จะออกไปได้เพราะความรักความผูกพันที่มีต่อพระราชโอรสนี้จะทำให้ไม่สามารถออกไปได้ดังนั้นในคืนที่ได้ฟังข่าวว่าได้พระราชโอรสแล้วพระ อ, องค์ไม่กล้าไปมองพระราชโอรสไม่กล้าไปดู ต้องรีบออกจากวังไปในคืนนั้นเลยสมุทานว่าราหุลเวลาที่ได้ยินข่าวว่าได้พระราชโอรสแล้วคำว่าราหุล น, นี้แปลว่าบ่วงบ่วงที่จะรัดคอรัดพระกรรากายของพระพุทธเจ้าไม่ให้ได้ออกไปแสวงหาความสุขที่เกิดจากการอยู่วิเวกสงบตามลำพัง ดังนั้นพอได้ทราบข่าวก็ต้องออกทันทีในคืนนั้นเลยไม่ไปลาไม่ไปล่งไปลาใครทั้งนั้นไปเพียงพระองค์เดียวโดยมีนายฉันนะติดตามไปส่งเท่านั้นเองนี่แหละคือวิถีทางของคนฉลาดเป็นอย่างนี้ต้องกล้าหารที่กล้าจะตัดความสุขที่เป็นเหมือนกับยาเสพติด คนที่ติดยาเสพติดถ้าอยากจะหายจากการติดยาเสพติดก็ต้องกล้าที่จะเลิกเสพยอมทุกทรมานในขณะที่พยายามที่จะเลิกแต่พอหลังจากที่หายอยากแล้วความทุกข์ทรมานต่างๆก็จะหายไปไม่ต้องอาศัยยาเสพติดอีกต่อไปถ้ายังติดอยู่กับยาเสพติด แล้วไม่มีความกล้าหาญที่จะเลิกก็จะต้องตายจากฤทธิ์ของยาเสพติดนี้อย่างแน่นอนฉันใดถ้าเราไม่กล้าที่จะตัดความสุขทางตาหูจมูกทิ้นกายออกไปจากใจเราเราก็จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบดีไปไม่มีวันสิ้นสุดการมาพบก็คือพบของผู้ที่ ยังเสพกามอยู่นั่นเองกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะพวกเราทุกคนนี้เกิดมาไม่ต้องมีใครสอนไม่มีต้องมีใครสั่งเรื่องของการเสพกามรู้จากปันทุกคนรู้จากกินขนมรู้จากดื่ ม, ม, มเครื่องดื่มต่างๆชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้กันเพราะมันติดมาเป็นนิสัยเป็นเหมือนคนติดยาเสพติด พอเห็นยาเสพติดปั๊บนี้เดินเข้าหาเลยพวกเราพอเห็นรูปเสียงกิ่นรดนี่เดินเข้าหาเลยที่ตรงไหนมีการเล่นมีมีการบันเทิงกันนี้ไม่ต้องเรียกกันเลยไปกันเลยพอเห็นเขาตั้งเวทีมีร้องรำทําเพลงนี้ไปกันแล้วไม่ต้องเรียกไม่ต้องเชิญเพราะมันมีอยู่ในใจของเราแล้วเราติดสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน และเราจะติดอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่เลิกกับการหาความสุขจากกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นลน้นผลทพานี้เนี่ยชีวิตของพวกเราจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามาพบกันกามาพบนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนดีและส่วนที่ไม่ดีส่วนดีก็ของของพวกที่รักษาศีลได้ ก็พวกเทพกับพวกมนุษย์นี้เป็นพวกที่ <c oughs> รักษาศีลได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นเทพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพวกที่รักษาศีลไม่ได้ก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสูรละกายเนรกนี่เป็นผลที่เกิดจากการติดในการแล้วก็ ไม่สามารถรักษาศีลได้ถ้าติดในกามแล้วรักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเกิดในอบายมาเกิดในทบของมนุษย์และของเทพถ้าละการเสพกามได้ไม่เสพหาความสุขจากการนั่งสมาธิอย่างพวกที่ถือศีลแปลดนุ่งขาวห่มขาวหรือพระที่ออกบวชพวกนี้เขาเลิกหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสเขามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิพวกนี้ก็ไม่ต้องไปเกิดในกามภพไม่ต้องไปเกิดเป็นเทเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไม่ต้องไปตกนรกก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมเป็นเป็นพรหมไปจนกว่าจะหมดบุญหมดกำลังของความสงบ ก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพต่อแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำกรรมใหม่อีกต่อไปก็จะขึ้นขึ้นลงลอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายัางไม่สามารถที่จะสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงกับความสุขต่างๆในโลกนี้ไม่ให้ความไม่ให้หลงกับการกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้หลงกับการ มีมีนั่นมีนี่หรือเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเหล่านี้ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องเลิกไม่อยากกลับอะไรไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากจะเป็นอะไร อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญกันท่านรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็สอนใจด้วยปัญญาจนหายหลงเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสละเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านไม่ปรารถนาไม่ต้องการแล้ว ท่านสามารถอยู่ลำพังในป่าคนเดียวโดยไม่มีอะไรได้มีความสุขมากกว่าอยู่ในวังหลายหมื่นหลายแสนเท่าด้วยกันท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปท่านได้ชำระใจจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่มีเชื้อของพบชาติคือความโลภความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วนั่นเอง นี่แหละคือผลของการทำบุญที่บรรพบุรุษของพวกเราได้สอนให้พวกเราทำกันมาขอให้พวกเราเชื่อและพยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วจิตใจของเราจะเจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันสงกรารนี้